ตอนให้โอวาทเนื่องในวันไหว้ครูวันที่สองมิถุนายนสองพันห้า้อห้าสิบเ้าเรียนเชิญพ่อครูให้โอวาทนะคะแก่นักเรียนและคณะคุณครูค่ะเรียนเชิญค่ะขอากราบธรรมสการพ่อคุณเจ้าสามเณรคุณแมช่ชีแล้วก็คณะคุณครูนักเรียนที่รักทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะก็ เป็นประเพณีที่สวยสวยงามๆนะคำว่ากตัญญูเนี่ยคือสั ญ, ญลักษณ์ของคนดีนะทีนี้กตัญญูคืออะไรนะกะตัญญูต้องรู้คุณรู้โทษนะรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษถ้ากตัญญูแบบหลงงมงายอย่างคุณแม่เราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอันนี้สมมุตินะเราก็รักแม่มาก แม่บอกให้ซื้อของหวานมาให้กินเยอะๆเพราะท่านมีความสุขนะเราก็ตามใจแม่ก็ซื้อของหวานให้แม่กินแม่กินก็มีความสุขแม่ก็กอดเราแล้วก็กอดแม่อันนั้นกระตันยูแบบไม่รู้คุณไม่รู้โทษนะเรากำลังฆ่าแม่ผ่อนสมนะกระตันยูไม่ได้ไปว่าสนองตันหานะก็วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเน้นเรื่องนี้มากลูกแต่ช่วงหลังเนี่ย สังคมวัตถุนิยมเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยวัฒนธรรมตัวนี้เริ่มกำลังอ่อนแอลงนะแล้วก็สังคมเริ่มมีปัญหาเพราะคนขาดกระตันอยู่นะครูคนแรกของเราเนี่ยคือพ่อแม่ของเรานะเราเกิดมาปุ๊บท่านก็สอนก็สั่งให้เราฝึกกินนมนะ ออช่วยเหลือตัวเองนะนั่นคือครูคนแรกนะและต่อมานะก็ครูที่เรามาโรงเรียนนะครูบาอาจารย์มาสอนมาสั่งเรามาโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเรียนรู้ส่วนหนึ่งเป็นวิชาการส่วนหนึ่งเรียนรู้ชีวิตรู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมแต่ตอนนี้การศึกษาเน้นไปที่ ความรู้ทางวิชาการเพราะเราเข้าหมายเวไลยเขาก็ประเมินวิชาการเขาไม่ไม่ประเมินพฤติกรรมนะเราก็เป็นเน้นวิชาการทุกโรงเรียนก็แข่งกันวิชาการแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วลูกเมืองไทยเกิดเรื่องหน้าเศร้าใจนะในวงการการศึกษาเราดอกเอร์ท่านหนึ่งมีอายุตั้ง60สิแล้วนะ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ละไม่ใช่ด็อกเตอร์จบมาใหม่ๆทำงานมาตลอดชีวิตนะเอาปืนไปยิงเพื่อนด็อกเตอร์ด้วยสองคนในมหลาลัยเดียวกันเพราะความเกลียดชังความเครียดแค้นนะสะสมมานานขัดแย้งกันเพราะแข่งขันนะสุดท้ายในวันเดียวกันด็อกเตอร์ตายสามคน มันสะท้อนให้เห็นเรื่องการศึกษายุคนี้เนี่ยนะเราเป็นเน้นที่ IQ IQ ภาษาอังกฤษบอก intelligence quality ก็คือว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องความฉลาดทางวิชาการแล้วก็การฉลาดใช้เทคโนโลยีนะเพื่อเป็นเครื่องมือจะไปเอาชนะคนอื่น ด็อกเตอร์สท่านนี้ก็แสดงออกให้เห็นแล้วเป็นยังไงนะเราละเลยเรื่องอารมณ์หรือว่า EQ e m o t i o n a l นะ quality นะเราละเลยนะทุกคนเครียดหมดเพราะอยากชนะแบ่งปันกันไม่ได้นะโรงเรียนเราสองโรงเรียนไม่เน้นให้แข่งขัน นะคุณครูหลายคนก็เคยถามว่าทำไมไม่ให้เด็กนี่ไปแข่งกับโรงเรียนอื่นเราเคยไปลูกไปแล้วก็ไปทะเลาะเบาแว่งกันเพราะโรงเรียนอื่นเขาไม่คิดเหมือนเรานะ เ, เพื่อเอาชนะแล้วเนี่ยก็ทะเลาะเบาแวงกันมันไม่ได้เป็นการสมานฉันนะแล้วก็ในห้องเรียนถ้าเราเน้นแข่งขันนะมีที่หนึ่งที่สองที่สาม เราก็ไม่แบ่งปันเพื่อนเรากลัวว่าเราจะแพ้เพื่อนนะเรื่องศีลธรรมเราก็ละเลยศีลธรรมคือ MQ Morality นะหรือ My Consciousness นะคนเราประกอบด้วยสามอย่างเนะเรามีกายนะซึ่งเรามีรูปรูปนี่คือกายนะเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ ที่เรียกว่าเจตสิกแล้วเราก็มีวิญญาณหมายถึงจิตวิญญาณนะเราต้องพัฒนาไปด้วยสามอย่างนะแล้วก็วันนี้พวกครูในฐานะที่อุปโลกให้เป็นประธานในที่นี้นะครูทุกคนเนี่ยก็ต้องมีครูนะครูของครูก็ต้องมีครนะูของครูนะศิษย์มีครูไม่งั้นคําว่ายุวชนเยา ว, วชนเนี่ยยุวะ คือผู้อ่อนผู้ด้อยเยาวะเห็นไหมผู้อ่อนต่อโลกเราจึงต้องมาโรงเรียนเรียนรู้ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเรามาเรียนรู้อะไรแต่หลายโรงเรียนทุกวันนี้เนื่องจากต้องแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเก่งๆนะเขาก็เรียนรู้เรื่องวิชาการเพราะมหาวิทยาลัยก็ประเมินด้วยวิชาการเลยกลายเป็นว่าทุกคนตั้งแต่เรียนก็เครียดนะไม่ได้รักเพื่อนจริงนะ ลึกๆแบบพหลังมือจับกันแต่บางครั้งใจนั้นน่ะคิดจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะก็พก่อครูอยู่ที่นี่27ปีลูกโรงเรียนเราก็เปิดมานานคุณครูก็เข้าออกๆนะบางท่านก็เพื่อความก้าวหน้าอนุโมทนาสาธุนะเพราะว่าที่นี่ลงเป็นเรียนลงเป็นเรียนเราเป็นโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บสตังคนะ์เป้าหมายที่พ่อครูเปิดโรงเรียนอันดับแรก อย่าไปเพิ่มความยากจนให้ผู้ปกครองนะเราอยู่แถวนี้กันดานเรายากจนอยู่แล้วการศึกษาไปเพิ่มภาระให้พ่อแม่ไปกู้หนี้ยืมสินให้ลูกเรียนอันนี้คือมูลแลนิธิเราเนี่ยตั้งปฏิฐานอันดับแรกเนี่ยเราเปิดโรงเรียนนะเพื่อให้พวกเรามีโอกาสมาเรียนโดยไม่ต้องเพิ่มภาระให้พ่อแม่เป็นหนี้มากขึ้นอันนี้อันดับแรกก่อนนะเราไม่มีงบประมาณสับสนจากรัฐบาล มาให้ค่าลดค่าลาที่ไปรับเนี่ยปีหนึ่งสองโรงเรียนดูค่าลดที่ไปรับส่งพวกเราเนี่ยหลายล้านบาทรัฐบาลก็ไม่มีเงินสนับสนุนอาหารกลางวันของออพี่พี่มัธยมนะมูลนิธิพยายามแบกรับภาระตรงนี้มาเพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวไงนะเขาเป็นหนี้อยู่แล้วอย่าไปเพิ่มให้เขาเป็นหนี้มากขึ้นนะอันนี้คือเราพยายามทำส่วนทางวิชาการนั้น เราก็พยายามปรับปรุงพัฒนานะไม่หยุดนะเพราะครูไม่ได้หยุดทุกวันนะ่ะเราก็ตามกาลังเราพยายามทําอะไรที่ทำได้แต่บังเอิญถ้าเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยแต่ถ้าครูเราไม่พัฒนาตามเนี่ยมันก็เอามานั่งกองไว้เฉยถ้าครูพัฒนาปุ๊บเนี่ยสื่อต่างๆก็ได้เกิดประโยชน์เมื่อเกิดประโยชน์แล้วครูใช้สื่อต่างๆมาสอนนักเรียนแต่ถ้านักเรียนไม่ให้ความร่วมมือสิ่งที่สร้างมาก็สูญเปล่า นะพ่อครูได้ยินข่าวนะลูกตอนระดับประถมนี่ไม่ค่อยมีปัญหาสองโรงเรียนมมีปัญหาพอขึ้นมัธยมแล้วเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะนะธรรมดายิ่งยิ่งโตแล้วเนี่ยยิ่งต้องเข้าใจยิ่งต้องพูดกันรู้เรื่องแต่นี่กลับกันนะโตจนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แล้วคุยกันไม่รู้ภาษามันถึงฆ่ากันไงนี่คือความผิดพลาดของการศึกษาจากนี้ไปพ่อครูจะไม่ปล่อยให้โรงเรียนเราเป็นอย่างนี้ลูก นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพ่อครูรักพวกเราทําไมต้องรักพวกเราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันสักหน่อยหนึ่งนะถ้าพวกเราฝึกจิตเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระครูลักพวกเรายิ่งกว่าญาติพี่น้องร่วมท้องเดียวกันนะเราเป็นญาติธรรมเราเป็นอะไรนะเราเป็นคนไทยนะพ่อครูกลับมาจากอเมริกาเนี่ยเพราะพ่อครูรักชาติไทย เพราะกูต้องมาสนองคุณแผ่นดินเกิดเพราะกูก็เลือกมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่จะเก็บชายแดนไทยกับลาวไม่ต้องไปค้นหาว่ามีคนจนไหมหรือคนรวยไหมนะก็ส่วนมากคำว่าจนไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะลูกและมีน้องๆ น, นะที่ขึ้นมัธยมแล้วเนี่ยเคยมาเล่าให้กูฟังว่าเพื่อนเขาอยู่ต่างโรงเรียนเนี่ยมาต่อว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กด้อยโอกาสเรารู้สึกอาย อย่าเข้าใจผิดนะครับมูลนิลธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พารานคอยเนี่ยคำว่าด้อยโอกาสไม่ได้หมายถึงคนจนเท่านั้นคนจนแค่ด้อยโอกาสเรื่องเศรษฐกิจแต่บางทีเขามีโอกาสมากกว่าคนรวยด้วยคนรวยด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตเห็นหมจนเป็นด็อกเตอร์ยังฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายเศรษฐีผูกคอตายกว่าเยอยะแยะนั่นคือผู้ด้อยโอกาส อย่าไปเข้าใจว่าเราจนเาเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่ใช่ลูกลูกหลานนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นคนจนซึ่งมีโอกาสแต่ต้องฟังพ่อครูฟังครูบาอาจารย์หน่อยลูก อ, อย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งยิ่งโตปุ๊บเพื่อนก็แย่นะถ้าพวกเราหันหน้าไปทางโน้นเรามีเพื่อนประถมเนี่ยบวชเนนะบวชมัธยมบวชเนน นะเรามีเพื่อนปถมมัธยมบวชชีนะคุณไม่ชีเนี่ยมัธยมเนี่ยเนื่องจากเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยนะวันนั้นรู้สึกอายเพื่อนมัธยมที่นั่งรถมาที่นี่พอครูถามว่าทำไมลูกก็บอกอายเพื่อน ตอนนี้สังคมมันกลับหัวกลับหางแล้วลูกเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นการทำดีเป็นเรื่องที่น่าอายนะบอกถามลูกบวชทำไมวันนั้นได้ยินพวกครูบรรยายไงเนื่องจากว่าเนื่องจากตอนปิดเทอมลูกพก่อครูไม่มีโอกาสประกาศโครงการนี้ออกไปถ้าประกาศคิดว่าลูกลูกหลานหลายหลายคนก็คงมีโอกาสบวช ด, ด้วย ทําไมเราบวชตอนปิดเทอมเราก็บวชภาคฤดูร้อนแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนนะแล้วเรากะว่าพ่อครูก็พาไปทัศนศึกษาที่เขาค อ, อวัดอาจารย์ปรามีผาซอนแก้วคิดว่าจะไปศึกที่น่นแล้วทั้งเมชีทั้งเนนไปถึงที่น่นแล้วไม่ยอมศึกกันนะทีนี้เราจะบวชต่อ เราก็ต้องมีโครงการาต้องชี้ชี้แนะอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจนะก็เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหากุศลของคนไทยเราในหลวงเราเนี่ยขึ้นคองลาบครบเจดสิปีพระราชีดีเนี่ยมีพระชนมายุครบเจ็ดรอบนะ เนื่องจากสองพระ อ, องค์ทุ่มเทให้บ้านเมืองมาตลอดพระชนชีพของพระ อ, องค์ปัจจุบันนี้สองพระ อ, องค์ท่านก็ประชวรในฐานะเราเป็นคนไทยเพื่อแสดงออกถึงความตัดตันอยู่รู้คุณแผ่นดินเกิดโดยเฉพาะพ่อหลวงและก็แม่หลวงของเรานะพระครูพูดแค่นี้นะคุณแม่ชีเนน นะก็ปราวนาตัวบวชเข้าพรรษานะตลอดเทอมนี้เพื่อแสดงออกถึงความกระตันอยู่รู้คุณนะเป็นการบวชถวาย อ, อ่เป็นพระราชกุศลแด่สองพระองค์นะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่วัยขนาดนี้มีโอกาสทำงานยิ่งใหญ่การบวชไม่ใช่ง่ายๆนะ โดยเฉพาะสตรีต้องปกงผมที่สวยงามโกนคิ้วต้องโกงเสื้อผ้าที่สวยงามมีชุดขาวชุดเดียวต้องปรุงอาหารเย็นนะไม่ใช่ทา ง, ง่ายๆเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะถ้าคนไหนฉลาดเห็นเพื่อนเราบวชแล้วเนี่ยคนไหนฉลาดนะต้องยกมือท่วมหัวอนุโมทนาสาธุด้วยเขาเรียกว่าเราเกาะ ชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าขาวเราก็จะได้กุศลด้วยแต่ถ้าไปคิดเรื่องล้อเลียนเรื่องอย่างนั้นต่างๆเนี่ยแทนที่จะได้บุญกลายเป็นบาปลูกเรื่องนี้อย่า ก, กนะระทำนะพาะครูสอนเรื่องพงพิหารสี่นะเราต้องฝึกให้มีเมตตาเริ่มจากเมตตาคนข้างๆก่อนเขาเขาลำบากเขามีปัญหาต้องอต้องกรุณา บางคนมีเมตตาหลุกไม่มีการุณาเห็นเพื่อนล้มลงไปเออสงสารมันนะแต่ทุระไม่ใช่ฉันวิ่งหนีไม่การุณานะก็ยังดีกว่าไม่มีเมตตาบางคนไม่เมตตานะสมน้ำหน้ามึงนะเป็นบาปถ้าเราเมตตาเออคนอื่นไม่รู้จิตเรารู้แล้วว่าเออเรายังมีเมตตาแต่เนื่องจากว่าเราให้ไม่ได้เราก็ไม่การุณาไม่ไปไปช่วยเขา ถ้าเราเมตตาด้วยวิ่งไปช่วยเพื่อนเรากลุณาด้วยเนี่ยอันเนี้ยได้สองคะแนนแล้วแต่วันใดวันหนึ่งเพื่อนสอบเก่งกว่าเรานะเพื่อนได้รางวัลอิจฉาเพื่อนนะเออแทนที่จะดีใจกับเขาเนี่ยก็ไปว่าเาเราไม่มีมุทิตาแทนที่จะได้สามคะแนนเนี่ยไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังไปว่าเขาอีกนะอันนี้ เป็นบาปไอ้สองคะแนนเมื่อกี้นี่หายไปหมดเลยเป็นของเจวันนี้เหมือนกันนะเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยนะพวกครูไม่เรียกว่าเสียสละทั้งเนนทั้งชีนี่มาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทําสิ่งที่ควรทำนะไปแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณพ่อหลวงแม่หลวงเรานะแล้วก็บวชให้คุณพ่อคุณแม่นะถ้าถือโอกาสนี้ศึกษาทำ นะแล้วก็คนที่บวชในช่วงเข้าพรรษานี้เนี่ยนะประถมนี่ก็เรียนโรงเรียนที่นี่ส่วนมัธยมแล้วเนี่ยเราก็มีห้องติวเราที่นี่พวกเราอยู่โรงเรียนเรียน5้าวันเรียนอะไรก็ช่างเนี่ยที่นี่เขาก็เรียนเหมือนกันนะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยได้ศึกษาธรรมด้วยได้ทําบุญใหญ่ด้วยนะแล้วก็อันนี้นคือกระตันยูไม่ใช่พูดเฉยๆนะ ต้องแสดงออกนะต้องทำให้เห็นนะก็วันนี้พวกูจะเน้นเรื่องกระตันยูรู้คุณนะถ้าคนไม่มีกระตันยูแล้วเนี่ยชีวิตนี้จะไปทำอะไรไม่สำเร็จมันเป็นบาปนะเรากินข้าวเขาแค่ช้อนเดียวตนั้นเองต้องจำไปตลอดชีวิตนะเออเวลาสำเร็จชีวิตได้ดีบได้ดีแล้วอย่าลืมข้าวเม็ดหนึ่ง มันก็ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สําสนึกเรานะก็วันนี้เป็นวันครูก็กลับมาคุยกับคุณครูคุณครูสําคัญมากนะถ้าคุณครูไม่มีเมตตาไม่มีกรุณามุทิตาอุเบกขาคุณครูกนะ็เมื่อกี้พระครูอธิบายเดี๋ยวต่อ น, นิดหนึ่งมาถึงมุทิตาเห็นไหมถ้าเพื่อนได้หยิบได้ดีแล้วก็สาธุยินดีกับเพื่อนเราก็ได้บุญด้วย นะเป็นสามคะแนนแต่วันใดวันหนึ่งเพื่อนวิ่งมาชนเราหรือมาขโมยของเราหรื อ, อยังไงโดยเจตนาไม่ดีนะ่ะเราก็ไม่มีอุเบกขาเราก็ด่ามันเลยไอ้สาคะแนนตุนไว้นี่หายหมดเลยที่ผ่านมาคือของเกเราอุอภัยทานไม่ได้และเราก็นิ่งเฉยไม่ได้นะต้องฝึก บ, บ่อยๆลูกแน่นอนต้องฝืนกินเลสนะโดยเฉพาะเด็กโตนะลูกตอนนี้ฮอร์โมนเรามันแรงนะการ ขโมยทำอะไรคิดว่าเก่งฉันฉลาดกว่าคนอื่นฉันเก่งกว่าคนอื่นก็ภาคภูมิใจกันนะการทําชั่วร้ายเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจพอเจอเพื่อนทําดีภาวนาภาวนาตัวบวชนะเพื่อถวายในหลวงราชนีเรากลายเป็นเรื่องขบขันมันติลังกากลับหมดลุกพ่อครูเป็นห่วงสังคมทุกวันนี้ข้างนอกเป็นยังไงก็ช่างนะพ่อครูตัวเล็กๆไม่กล้าบังอาจไปเปลี่ยนสังคม แต่สองโรงเรียนเราเนี่ต้องช่วยกันเพราะครู ย, ยกตัวอย่างคุณครูคนหนึ่งเก่งมากนะแต่ไม่มีศรัทธาตั้งมั่นในจัญญาบันอาจารย์ขององคุริมาถ้าองคุริมานเนี่ยนะเรียนเก่งมากเพื่อนอิจฉาทำอะไรก็ชนะเพื่อนหมด นะก็ไปใส่ร้ายป้ายสีไปเป่าหูครูบาจานันะครูบาจาั์หูเบานะไปโกหกว่าองคุลิมานเนี่ยไม่กระตันอยู่แล้วก็รับหลังนี่ไปว่าครูบาจั์ครูบาจารย์โดยใช้อุบายเนี่ยขับไล่องคุลิมานออกจากสำนักออกจากสำนักโดยหลอกว่าให้ไปฆ่าคนหนึ่งพันคนนะ แล้วก็ครูบาอาจารย์จะสอนวิชาพิเศษองคุริมาเนื่องจากศรัทธาครูบาอาจารย์มากนะไม่ลังเลสั่งปึ๊บออกไปเลยเจอใครก็ฆ่าทีแรกฆ่าฆ่าแล้วก็ลืมเอ้ฆ่าไปกี่คนนะทีนี้ฆ่าปึ๊บก็ตัดนิ้วมาแขวนคอนับทุกวันนะพอนับไปถึงวันหนึง่งอ่ะ้าอีกหนึ่งคนฆ่าไปฆ่ามาไปหลงคิดว่า การฆ่าคนเนี่ยทำให้เขาตายไวๆยเขาหมดเวรหมดกรรมวๆจะไปปวดแม่ตัวเองจะมุ่งหน้าไปฆ่าแม่ตัวเองแล้วแม่ตัวเองก็ได้ยินข่าวว่าทางการเนี่ยประกาศจับตายองคุริมาเขาก็ยกกองทัพมาแม่ก็วิ่งมาหาลูกลูกก็วิ่งไปหาแม่บังเอิญองคุริมานเนี่ยมีบุญเก่าเยอะมากพระพุทธเจ้าเห็นวาละจิตพระองค์ก็เลยเดินไปขวางองคุริมา องคุร in ิมานก็บอกหยุดหยุดหยุดนะผู้เจ้าเดินช้ามากแต่องค์ุริมานวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ถึงเขาเขามีพลังช้างสารนะใครสู้เขาก็ไม่ได้ทหารตั้งกองทัพก็สู้เขาไม่ได้แต่วันนั้นเขาวิ่งอย่างไรก็วิ่งไม่ทันพระพุทธองค์พระองค์บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองค์คุริมานบอกว่าท่านหยุดยังไงท่านยังเดินอยู่พระพุทธองค์บอกว่าเราหยุดทําความชั่วแล้วแต่ท่านยังทําอยู่ คำคำนี้องคุลิมานสว่างขึ้นมาแล้วก็วางดาบปาวนาบวชนะพระพุทธเจ้าบวชให้มหาจนพระพุทธองค์ไม่ได้ดูกิริยาแค่ชาตินี้พระองค์ดูความประพฤติตั้งแต่หลายอดีตชาติมานะสุดท้ายองคุลิมานก็บรรลุเป็นพระอรหันในชาติสุดท้ายนะลูกๆทุกคนชีวิตเราอาจจะพังเผอไปทาอะไรไม่ดีไม่ร้ายบ้าง คงไม่ชั่วร้ายเท่ากับองคุริมานใช่ไหมวันนี้ถือโอกาสเป็นวันครูนะนะเปลี่ยนชีวิตใหม่ลูกเริ่มต้นชีวิตใหม่ลืมไปเรื่องเก่าๆซะการที่ไปแกล้งเพื่อนการทําอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมเราสดาใจเรามีความสุขชั่วกลู่นะนะ่ะมันเดินทางไปสู่นรกไม่พึงกระทํนะแต่องคุริมานฟังนะเมื่อบรรลุธรรมแล้วไปบินทบาทยังถูกเขาเอาหิน กว้างหัวล่างข้างแตกก็ต้องรับกรรมนั้นคือเราหนีกรรมไม่พ้นถึงจะบรรลุอาหารหันต์ก็ช่างไอ้ส่วนที่กรรมก็ต้องรับแต่มันกระทบมันไม่กระเทือนพระองค์คุลิมาลไม่ไปทุกข์กับสิ่งนั้นยอมรับกรรมตรงนั้นแต่ดีที่สุดอย่าสร้างกรรมใหม่ลูกโดยเฉพาะในวัยเราเนี่ยลูกเรามีมหกแล้วนะตั้งแต่มหนึ่งบรรนไปเนี่ยวัยหนุ่มสาวห่อมนวนเราเปลี่ยนเราต้องมีความอดกั้นอดทนสู้กับอารมณ์ตัวเอง จำคำนี้ไว้ว่าอดเปรี้ยวกินหวานมะม่วงน้ําดอกไมาเนี่กินดิบๆิบมันไม่อร่อยมันเปรี้ยวมากลูกเรายังไม่ถึงวัยเราอยู่ในวัยเรียนไม่ใช่วัยรักไม่ใช่วัยรักนะเราเป็นนักเรียนเราไม่ใช่นักเลงนะอดทนหน่อยลูกอดเปรี้ยวกินหวานนะประคองตัวเองนี่ให้มันข้ามพ้นวัยที่มันอยู่ในวัยที่เรายังไม่พร้อม นะครูบาอาจารย์เขาช่วยเน้นเราอย่างนี้อย่าอย่ารู้สึกเบื่อนะลูกนะเพราะครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่ามีไก่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ในสุ่มไก่ตัวนึงอยู่ในนอกสุ่มอิสลามากจะไปหากินที่ไหนก็ได้รู้สึกอิสระแต่วันหนึ่งเสือตัวหนึ่งวิ่งมาถามว่าไก่ตัวไหนตายก่อนนะไก่อยู่นอกสุ่มถูกกินก่อน ไอ้ซุ้มเนี่ยนะที่โรงเรียนเราพยายามเนี่ยดูแลพวกเราอยู่ในกรอบวินัยเนี่ยซุ้มนี่ไม่ใช่ห้องขังลูกซุ้มนี่คือเกาะป้องกันภัยมันคือศีลเราปลอดภัยเราอิสระที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นทาตอะไรหนึ่งถ้าเราเราเป็นนักเรียนเราไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพเราเป็นนักเรียนเราไปเป็นนักรักเราจะเป็นทาตอยู่ในกรอบของความหลงรัก ฉันห่วงเธอเธอห่วงฉันฉันห่วงเธอเธอห่วงฉันแทนที่จะเอาเวลามาอ่านหนังสือมาศึกษาเล่าเรียนเอาเวลาไปคิดเรื่องหลายสะเราไม่อิสระเราเป็นทาสแล้วไปติดบุหรี่ติดเหล้าเล่นการพ น, นันอันนี้ไม่อิสระลูกเหมือนเราได้ทำตามใจตัวเองแต่ไม่อิสระเลยเราเป็นทาสของอบายมุขแต่ถ้าเราอยู่ในกรอบองศินในของธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ห้องขังเห็นไหม เราจะอิสระจากหนี้สินอิสระจากความชั่วร้ายทั้งปวงนะต่อไปนี้เนี่ยเราโตขึ้นอนาคตเนี่ยเราทำอะไรก็สำเร็จนี่แหละจำคำว่าอดเปรี้ยวกินหวานอดทนหน่อยลูกเผอทีนึงเนี่ยนะตอนนี้เมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกลูกกินเนตปุ๊กเอาไปลงแล้วแม่ที่อายุน้อยที่สุดในโลก 7ขวบตั้งท้องแล้วลูกแปดขวบเป็นแม่แล้ะแล้วเราจะไปหากินยังไงวิชาความรู้ก็ไม่มีเลยนะแล้วจะไปเลี้ยงลูกน้อยถามว่าเรารักกันจริงๆผู้ชายลักผู้หญิงจริงๆเหรอเอา้าอ้ฉันรักเธอมากๆแต่ไปรบกวนไม่ให้มีลาให้เขาเป็นเหยื่อความรักเราเราไปหลอกเขาเราไม่รักเราจริงแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยเรียนไม่ดีนะ หึงหวงกันอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่รักเขาจริงเรากําลังลวงเขาเรากําลังหลอกเขาเรากําลังทําร้ายเขาเราไม่ใช่ลูกผู้ชายลูกผู้ชายตัวจริงต้องไม่หลอกลวงผู้หญิงต้องต้องไม่ลังแกเพศอ่อนแอเราต้องคิดถึงอนาคตเขาพวกครูเป็นครูบาอาจารย์พ่อครูมีหน้าที่ชี้ทางพวกเราอดเปรี้ยวกินหวานลูกถ้าเรารักเขาจริงเนี่ยเราต้องรีบสร้างฐานะเรา เริ่มจากฐานะความรู้ก่อนแล้วก็ไปถ้าเรามีความรู้เยอะเราก็สามารถทํางานที่มันมีรายได้เยอะตอนนั้นเอาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเราเขาก็จะอยู่สบายเรารักเขาจริงๆเราจะเอาเข้ามาทุกลําบากก็ทําไมแล้วออกลูกมาลำบากกับเราด้วยเราไม่ได้รักลูกเมียเลยรักไม่จริงอันนี้เป็นตัวหลงทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยพวกครูขอโทษพวกเรา ถ้าเกิดครูบาจาร์เนี่ยเตือนเราเนี่ยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ฟังนะพาะครูเป็นเปิดมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสเมื่อพวกครูให้โอกาสแล้วพวกเราไม่ใช้โอกาสนั้นเนี่อย่าไปเสียเวลามาโรงเรียนลูอันนี้เราหนีขี้เกียจเฉยเฉยขี้เกียจช่วยพ่อแม่ที่บ้านอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ขุดดินปลูกผักทำไรยังมีประโยชน์ พ่อแม่อุตส่าห์ให้เรามีโอกาสมาเรียนแล้วเนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนนะอุตสาหะอดทนนะสะสมความรู้กันหาประสบการณ์ชีวิตนะแล้วก็ถ้าเรารักใครจริงๆเนี่ยนะเราต้องคิดถึงอนาคตว่าเขาจะต้องไม่ลำบากกับเราแล้วก็ลูกที่มันออกมาเนี่ยมันต้องไม่เดือดร้อน นั่นแหละคือคนที่รักลูกเมียจริงๆอย่าอย่าด่วนใจร้อนลูกอย่าทําตามอารมณ์ถ้าเราทําตามอารมณ์เราจะขาดสตินะเรื่องนี้สําคัญมากนะพอถึงวันที่เนื่องจากว่าพวกเราเลือกเดินทางเองว่าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์มาโรงเรียนก็หลบทุ่นซ่อนนะนะก็ทําให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อนด้วยแทนที่จะเอาเวลามาสอนเพื่อนฝูงเอาเวลามาตามเราเป็นบาปนะลูกถ้าอย่างนั้นอย่าทํา เพราะครูไม่อยากให้พวกเรามาทํำบาปในโรงเรียนนะโรงเรียนเราจะสร้างกุศลมีแต่สอนให้พวกเราทําบุญนะถ้าตอนนั้นอ่ะอย่ากโกรธกันนะเมื่อเราเลือกชีวิตแล้วนี่เราเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงตัวจริงเนื่องจากว่าเราไม่ชอบเรียนแล้วเนี่ยเราไปทํางานที่เราชอบไปช่วยพ่อแม่สร้างฐานะยังมีประโยชน์กว่านะต่อไปนี้เนื่องจากพวกครูประคองมาหลายปีแล้วพ่อครูจะยอมนะ ตัดพวกเราคนนึงเมื่อตัดนิ้วตัวเองคนหนึ่งนะเพราะครูยอมตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตคนส่วนใหญ่นะอันนี้ไม่ต้องโกรธกันนะไม่ต้องโกรธกันเราทําอย่างนี้เพราะเราเมตตาเพราะครูเมตตาไม่ปล่อยให้พวกเราสร้างกรรมต่อไปนะมันเป็นบาปพวกครูเป็นครูบาอาจารย์สอนคนทั้งโลกมาที่นี่สอนคนทั้งประเทศแต่ถ้าว่าสอนพวกเราไม่ได้พรากครูไม่รู้จะเปิดโรงเรียนไปทําไมนะ เอาเป็นว่าพา่อครูไม่ได้พูดเฉยๆนะนะเรียนมาที่นี่ได้หลายปีเห็นว่าโรงเรียนทําอะไรอยู่นะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ไหนในประเทศไทยนะติดแอร์ให้เด็กๆเรียนครูก็ปรึกษาพา่อครูเนื่องจากว่าเราไม่มีสมาธิพราะเราเรียนในห้องแล้วนี่เรามีตะคุยกันอยู่เรื่อยเห็นไหม เดี๋ยวเด๋ยววันที่8นี้เริ่มเข้าค่ายแล้วทั้งสมค่ายนี้เนี่ยพวกครูจะอยู่กับพวกเราตลอดพวกครูจะเป็นวิทยากรเองนะจะใช้เวลาอยู่กับพวกเราลูกเรามีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะก็รู้ว่าทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องปฏิบัติเต้นเต้นๆ้นอะไรนี้เรามาคุยกันนะแล้วก็ทําไมต้องปิดหูฟังเนี่ยนะเราจะได้ตั้งมั่นฟังมองเป็นสมาธิมันจะเอาข้อมูลเข้าไปในจิตเราโดยตรง ที่ผ่านมาเห็นเพื่อนก็ไปคุยไปคุยอย่างนี้นะมันไม่มีสมาธิลูกนะอันนี้มันเป็นโปรแกรมที่โรงเรียนกรพิทักษ์กรุงเทพเขาลองแล้วได้ผลมากนะปรับตัวหน่อยหนึ่งพ่อะกูก็ใช้โอกาสแค่นี้แล้วก็สุดท้ายนี้นะก็ขอรัตนาคุณประศิทรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย<ม>ในสากลจักรวาล<ม>พร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมา ได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนนะสำเร็จในชีวิตทุกประการครบับครบับครบับ